เหมือนอย่างว่าปาติโมขสังวรภิกษุพึงทําให้ถึงพร้อมได้ด้วยศรัทธาฉันใดอินทรีย์สังวรภิกษุพึงทําให้ถึงพร้อมด้วยสติฉันนั้นเพราะว่าอินทรีย์สังวร น, นั้นมีสติเป็นเหตุให้สําเร็จถ้าไม่มีสติก็ไม่สําเร็จหรอกเพราะอินทรีย์ทั้งหลายที่ตั้งมั่นแล้วด้วยสติ ท, ท่านอธิบายว่าคืออินทรีย์ทั้งหลายที่สติอันเข้าไปตั้งไว้ก่อนนั่นเทียวตั้งมั่นแล้วโดยเกี่ยวกับการรักษาไว้นะอินทรีย์ทั้งหลายที่ตั้งมั่นแล้วด้วยสติคือเข้าไปตั้งสติไว้ก่อนแล้วตั้งสติไว้ก่อนที่จะเห็นตั้งสติไว้ก่อนที่จะรับอารมณ์แต่ละอารมณ์เลยนะคือผู้ที่เห็นภายในสังสารวัฏจริงๆเนี่ยนะจะไม่ไปในอโครจรหนึ่งนะ พวอกอัโคจรเป็นต้นเนี่ยท่านจะตัดไว้ตั้งแต่ปาติโมขะสังวรแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องสถานที่ไปที่มาของท่านเนี่ยจึงคัดได้เมื่อคัดอารมณ์เหล่านั้ น, น, นได้ก็คัดการเห็นได้แล้วเห็นแต่ละอารมณ์นี้ก็ส่งข้อเรื่องศีลลงไปในนั้นหมดแล้วเพราะฉะนั้นท่านตั้งสติไว้เป็นอย่างดีเนี่ยนะทั้งสติที่เป็นไปกับศีลสติที่เป็นไปกับสมถาวิปัสนาเมื่อตั้งไว้ดีเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดใจก็ไม่ไหลไป ท่านตั้งสติได้หรือครับเนียนะตั้งสติได้หรือท่านตั้งสติได้หรือครับถามว่าถ้าตั้งใจพูดได้ก็ตั้งสติได้เนยสมมุติถ้ามามาประพูดเนี่ยนะตั้งใจพูดได้ไหมนะเราจะตั้งใจพูดเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ตั้งได้ไหมเพราะทำทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยท่านตั้งได้เลยครับนะ เขาบอกว่าเป็นอนัตตาเนี่ยนะเอายกมือเอายกเนี่ยนะไม่ยกได้ยังไงอนัตตาไม่ล่ะเนี่ยเอาลงลงพูดพูดนิ่งเอาก็ทําได้หมดอะอนัตตาอย่างไงนะคืออนัตตานั้นก็ต้องแบ่งว่าอนัตตาบางอย่างเป็นกุศลอนัตตาบางอย่างเป็นอกุศลอนัตตาบางอย่างเป็นอัพยากตะคือเป็นวิบากและเป็นกิริยา อนาตาที่เป็นอกุศลมีโทษพระองค์สอนให้ละโดยถ่ายเดียวเห็นไหมทีนี้อกุศลเหล่านั้นเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นก็ล่วงมาทางกายกรรมวจีกรรมล่วงมาทางกายทวารวจีทวารถ้าไม่ล่วงทวารใดทวารหนึ่งก็อยู่ในมโนทวารอันนั้นมีโทษควรละโดยถ่ายเดียวในขณะเดียวกันเนี่ยนะกุศลกุศลเนี่ยนะทั้งเป็นล่วงมาทางกายทวารวจีทวาร หรือว่ามโนทวารอันนี้ควรเจริญโดยถ่ายเดียวควรทําให้มากถ้าไม่มีพระองค์บอกว่าอัตตะสัมมาปณิธินะตั้งไว้เพื่อให้มีศรัทธาที่ยังไม่มีก็ตั้งเพื่อให้มีเป็นต้นเนี่ยนะคือถ้าปรารบไว้ก่อนแล้วจะเป็นไปตามนั้นเพราะอุ ป, ปนิสัยที่ตั้งไว้ยกตัวอย่างเราจะคุยกับใครสักคนเนี่ยนะเราจะพูดด้วยความหวังดีจริงๆนะตั้งไว้แบบนี้เลย เราจะเว้นจากทุจริตทั้งหมดในขณะเจรพูดครั้งนี้เนี่ยถ้าตั้งไว้อย่างนี้เดี๋ยวไปพอไปถึงขณะพูดนะถ้าจะล่วงละเมิดจะนึกถึงที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นอันนี้ก็เหมือนกันที่จะเห็นก็เหมือนกันว่าเราจะเห็นอารมณ์นี้แล้วไม่ให้โลภโทสะโมหเกิดเนี่ยนะแต่ในขณะเดียวกันเขารู้วิธีเจริญกุศล น, น่ยนะไม่ใช่โอ้โหยุยมฉันจะไม่ให้บาปมันเกิดแต่เอบุญเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยอันนี้ก็ยากเหมือนกันอันนี้ตั้งไม่ได้แน่นอน ก็หมายความว่าตั้งได้ถ้าเรารู้จักเจริญเราฝึกไว้เราตั้งได้แน่นอนถ้าเจริญกุศลเป็นก็เท่ากับตั้งสติเป็นยกตัวอย่างตั้งจิตเพื่อให้มีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายการทําให้เมตตาไปอย่างต่อเนื่องเขาเรียกว่าตั้งจิตแต่ว่าธรรมชาติของจิตมันก็เมื่อหมดปัดจจัยมันก็หมดแต่ในทนี้การตั้งก็หนึ่งในปัจจัยเพื่อให้ความคิดต่อๆไปเกิดขึ้นโดยอุปนิสัยปัจจัยนั่นเองอ น, นะเพราะอุปนิสัยอันนี้ให้ได้ เพราะได้บอกว่าธรรมะทั้งหลายมีอภิชาเป็นต้นจะพึงไหลไปตามไม่ได้ถ้าตั้งสติไว้นะโลภะก็จะไหลาตามไปไม่ได้เพราะเหตุนั้นภิกษุหวนรำลึกถึงอธิตะปริยยจสูตรโดยนัยว่าดูกราภิกษุทั้งหลายจากขุนสีถูกนาบด้วยซี่เหล็กที่ถูกเผาร้อนลุกโพลงเกิดมีแสงโฉดช่วง ยังประเสริฐกว่าการถือเอาซึ่งนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุไม่ประเสริฐเลยดังนี้เป็นต้นแล้วเมื่อวิญญาณเป็นไปแล้วทางจักขุทวานเป็นต้นคือวิถีจิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นก็ห้ามการถือเอาซึ่งนิมิตเป็นต้นที่ธรรมะทั้งหลายมีอภิชาเป็นต้นจะพึงไหลไปตาม ไว้ด้วยสติอันไม่หลงลืมก็จะพึงทําอินทรีย์สังวรนี้ให้ถึงพร้อมได้เป็นอย่างดีคือเข้าไปตั้งสติไว้แล้วนะตั้งคสติไว้ตั้งกระต้นแล้วยกตัวอย่างถ้าไปเห็นคนสวยถ้าตั้งอสุภาษสัญญาไว้ตั้งกับต้นอย่างดีเลยเนี่ยนะมันความงามมันก็ลดไปตั้งครึ่งหนึ่งแล้วล่ะเห็นไหมถ้าเจริญจนได้ฌานเนี่ยนะประเภทอสุภาษณฌานเนี่ยออกมายังไงก็นึกงามไม่ออกเลยว่ามันงามตรงไหนเห็นไหม มีน ะ, ระตรบางแห่งเขาบอกว่าคนที่ออกจากเมตตาเนี่ยนะนึกด่าใครเนี่ยไม่แม้แต่นึกมันยังไม่ไปเลยเขาบอกไม่ต้องกล่าวถึงคําพูดคนที่ออกจากอสุภฌ า, านเนี่ยมาจะมาเห็นอะไรงามก็ไม่ใช่ฐานะอีกหรือว่าผู้ที่พระอรหันเนี่ยออกจากพระสมบัตินะแล้วเข้าไปยินดีในสังขารทุกๆสังขารไม่มีเลยะนะเพราะเพราะอบรมมาเป็นอย่างดีก็จะเป็นอย่างนั้น แต่ไม่ใช่โอ้โหไปเห็นงามแล้วนึกถึงเซสาโลมาโอ้ไม่ทันกินแล้วอนที่จริงสติตั้งได้หรือตั้งไม่ได้จริงไม่ต้องถามก็ได้ก็ปรากฏในคัมภีร์นี้อยู่แล้วก็คําสอนมีให้ตั้งไว้ก็คัมภีร์มีอยู่แล้วในนี้แต่ผมยกขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้ฟังทางสถานีวิทยุบางคนที่เขาขีว่าตั้งไม่ได้จะรู้ว่าจริงๆมันมีอยู่ในคัมภีร์อเอาแค่นี้ก็พอแล้วครับะที่จริงตั้งได้นะ แต่ว่าถ้าไม่ตั้งนี่สิเสียหายถ้าตั้งไม่ได้พระวินัยบัญญัติไม่มีเด็ดขาดเนี่นะพราะตั้งได้นั่นแหละพระองค์จึงแสดงมีพระวินัยบัญญัติยกตัวอย่างพระพิสูจน์ที่ไม่สํารวมอินทรีย์เลยนะพระพุทธเจ้าตำหนิและพระองค์บอกว่าคนนั้นนี่ห่างไกลพระองค์ในอารหังว่าไกลาจากคนมีปัญญาสามทั้งหลายอันผู้ที่ปล่อยให้จิตเป็นไปกับบาปคนนั้นเนี่ยไกลาจากพระองค์ เมื่อกี้นี้ในวิสุทธิมรรคท่านยกข้อความในอาทิตตะปริยายสูตรก็อยากจะอ่านสูตรนี้ให้ฟังเพื่อที่จะได้เห็นอา น, นิสง์ของอินทรีสังวรถ้าหากว่าฟังสูตรนี้แล้วก็เอออินทรีสังวรศีนี่น่าเจริญน่าปฏิบัติจริงๆข้อความในอาทิตตะปริยายสูตรสังยุตติกายสลายตนวัตรเนะเล่ม28สดนะ ข้อสามร้นเกสุดาอาราธนาให้บอกเล่มด้วยมั้งเล่ม28นะหน้า357กล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราจะแสดงอาทิตตปริยายาและธรรมปริยายแก่เธอทั้งหลายคือจะแสดงอาทิตต์ปริยายก็คืออุปมาเหมือนอาทิตย์เนี่ยนะอาทิตย์แปลว่าของร้อนมั้งไง เธอทั้งหลายจงฟังดูก่อนพิสูนทั้งหลายอาทิตตะปริยายและธรรมะปริยายเป็นไนดูก่อนพิสูทั้งหลายบุคคลแทงจักขุนซีด้วยเหลาเหล็กอันร้อนไฟติดลุกโผงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรูปอันจักขวิญญาณพึงรู้แจ้งจะดีอะไรเนไ ถ้าเข้าไปถือนิมิตอนุพยัญชนะเนี่ยนะเอาตาทิ่มตาให้บอดยังจะดีกว่าว่าไงวิญญาณอันตกะกตกรามด้วยความยินดีในนิมิตคือหมายว่าโลภะที่เข้าไปยินดีเป็นต้นนะนะทั้งโลภะโทสะเนี่ยนะหรือตกะตกรามด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยู่ก็พึงตั้งอยู่ได้นะคือไอ ไ, อไอวิญญาณที่ตกะกะตกรามมันนี้เกิดขึ้นอ่ะนะคือที่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะในขณะเห็น ถ้าบุคคลพึงทํากาละกิริยาเสียในสมัยนั้นไซ่ข้อที่บุคคลจะพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดเดรสัตว์เดรชานอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงกล่าวอย่างนี้นะเห็นโทษของว่าถ้าชาวนะเป็นไปกับโลภะโทสะโมหะในขณะเห็นนะ่นะแล้วจุติจิตต่อ คติสองคือนรกกับเดราชานเพราะฉะนั้นตาบอดเนี่ยนะเอาอันนี้ไปทิ่มตายังจะดีกว่าแต่ไม่ใช่โอ้โหซื้อไปเอาเลยนะเพราะพงฟังให้จบสูตรนะฟังไม่จบสูตรเดี๋ยวหกกลับไปทำตาเสียเลยแล้วฟังไม่จบความนี่น่าสงสารนนั้นในอัตถกถาท่านอธิบายความนิดหนึ่งนะ่าสนใจว่าเขาบอกว่าวิญญาณนางได้แก่กรร ม, มวิญญาณคือชาวนะนั่นเอง นะที่เป็นโลภะโทสะโมหะตัสมิงเจสมาเยกาลังกระยะความว่าใครๆที่ชื่อว่ากำลังกระทำกาละด้วยจิตอันเศร้าหมองมีอยู่หาไม่ได้ชาวนะจิตจะไม่จุติเด็ดขาดว่า ง, งั้นเถอะไม่มีชวนะไม่มีใครตายตอนขณะชาวนะด้วยว่าสาสตว์ทั้งปวงย่อมทำกาละด้วยภวังคจิตเท่านั้นพวังนั่นแหละถ้าไม่หมดการสืบต่อเขาเรียกว่าจุติ แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงภัยแห่งกิเลสจึงตรัสอย่างนั้นอันนึ่งพระองค์ตรัสอย่างนั้นด้วยอำนาจแห่งสมัยจึงอยู่เมื่ออารมณ์มาปรากฏในจกักุทวารราคาจิตที่มีกำหนัดทุธจิตจิตขัดเคืองหรือมูลหาจิตจิตที่ลุ่มหลงย่อมเสวยรสแห่งอารมณ์แล้วอย่างลงสู่ภวังคจิตในภวังคจิตแล้วย่อมทำกาละกิริยา ในสมัยนั้นบุคคลผู้ทากาละพึงหวังคติสองคำนั้นตรัส ด, ด้วยอำนาจสมัยอันนั้นคติสองคือนรกกับเดราชานอธิบายว่าอีมังควาหังพิขเว อ, อาทธีนวังที่บอกว่าเราเห็นโทษอันนี้จึงกล่าวอย่างนี้เนี่ยนะความว่าเราพิจารณาเห็นทุกอันสัตว์พึงเสวยในนรกหลายแสนปีนี้จึงได้กล่าวอย่างนี้ว่าเราประสงค์เอา การเอาซี่เหล็กอันร้อนทะลวงในตาเนี่ยนะยังจะดีกว่าใช่ั้ยนี่ในทวารอื่นบอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลเกี่ยวโสตินรีด้วยขอเหล็กอันคมไฟติดลุกพรงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพยันชนะในเสียงอันโศตะวิญญาณพึงรู้แจ้งจะดีอะไรวิญญาณอันตกะตะกรามด้วยความยินดีในนิมิต หรือตะการด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ถ้าบุคคลพึงทำกาลกิริยาสีในสมัยนั้นข้อที่บุคคลจะพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรกหรือกําเนิรเดรฉานอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกรพิสูนทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงได้กล่าวอย่างนี้ น, นะข้อความอันนี้เนี่ยจะตรงกันกับสังขารเป็นปัจจัยแกวิญญาณ เ่นะสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณก็จะอธิบายแนวนี้เลยว่าถ้าชาวนาจิตเป็นอกุศลเวลาใกล้จุติเนี่ยนะถ้าตรงนี้เอาคติสองคือนรกกับเดราชานเปรตอสุรกายเท่ากับกล่าวแล้วด้วยในขณะเดียวกันแต่ก็อย่าไปคิดว่าไกลมากนักนะดูกานพิสูจนทั้งหลายบุคคลคว้านคานินซีด้วยมีดตัดเล็บอันคมไฟติดลุกโพร่งแล้วยังดีกว่าเด่นนะ การถือโดยนิมิตโดยอนุพยัญชนะในกลิ่นอันคานณวิญญาณพึงรู้แจ้งจะดีอะไรวิญญาณอันตะกรามด้วยความยินดีในนิมิตหรือตะกรามด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยู่ก็พึงตั้งอยู่ได้ถ้าบุคคลพึงทำกาลกิริยาเสียในสมัยนั้นซ่ข้อที่บุคคลจะพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นฐานะที่จะมีได้ดูความพิสูนทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงได้กล่าวอย่างนี้แมาถ้าไปแล้วหลายแสนปีนะดูความพิสูน์ทั้งหลายบุคคลเฉือนเฉิวหินซีเนี่ยนะเฉือนลิ้นด้วยมีดโกนอันคมไฟติดไฟติดลุกโพร่งแล้วยังดีกว่าการถือโดยนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรถอันชิีวหาวิญญาณพึงรู้แจ้งจะดีอะไร วิญญาณอันตกรามด้วยความยินดีในนิมิตหรือตะกรามด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยู่ก็พึงตั้งอยู่ได้ถ้าบุคคลพึงทำกาลกิริยาเสียในสมัยนั้นายข้อที่บุคคลจะพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตยระชานอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงได้กล่าวอย่างนี้ ดยก่อนภิสูนทั้งหลายบุคคลแทงกายยินรีด้วยหอกอันคมไฟติดลูกโพลงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในโพธพภะอันกายวิญญาณจะพึงรู้แจ้งจะดีอะไรวิญญาณอันตะกรามด้วยความยินดีในนิมิตหรือตะกรามด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยู่ก็พึงตั้งอยู่ได้ถ้าบุคคลพึงทำกาลกิริยานในสมัยนันไซ ข้อที่บุคคลจะเพิ่งเข้าถึงคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดจัตเตระชานอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงได้กล่าวอย่างนี้ดูก่อนพิสูนทั้งหลายความหลับยังดีกว่านะอันนี้มโนทวาร น, นะความหลับยังดีกว่าแต่เรากล่าวความหลับว่าเป็นหมันไร้ผลเป็นความงมงายของคนที่เป็นอยู่ ตนลูอำนาจของวิตกเช่นใดแล้วพึงทำลายหมู่ให้แตกกันได้ไม่ควรตรึกถึงวิตกเช่นนั้นเลยเนี่ยนะถ้าจะตรึกเพื่อทำให้กันแตกแยกเป็นต้นเนี่ยนะทำให้สงแตกแยกเป็นต้นเนี่ยเออหลับดีกว่าแต่ว่าคนหลับก็เป็นหมันนะดูกอนพิสู่น์ทั้งหลายเราเห็นความเป็นหมันอันนี้แลเป็นอาทีนบของคนที่เป็นอยู่จึงได้กล่าวอย่างนี้ ดูการพิสูจน์ทั้งหลายในข้อนั้นอริยาสาวกผู้ได้สะดับแล้วย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่านะเมื่อฟังแบบนี้จบแล้วนะอริยาสาวกจะพิจารณาว่าจากขุนสีที่บุคคลแทงด้วยเหลาเหล็กอันร้อนไฟติดลูกโพรงแล้วจงพักไว้ก่อนนะที่ฉะนั้นเราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่านะนะคืออันนั้นเอาไว้ก่อนนะแล้วก็มามีโยนิโสมนสิการว่า สุไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงจากสุวิญญาณไม่เที่ยงจากสุสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยไม่เที่ยง น, นะคือก็มาเจริญเรื่องอนิจจอนิจจอนิจจาลักษณะเนี่ยนะอันนี้คือความรู้ระดับตรีตรณะปริญญาไปแล้ว น, นะเพราะว่าแสดงว่าพระพิสุกรมนี้เนี่ยจะต้องเจริญกุศลศีลอย่างบริบูรณ์อยู่แล้วพระ อ, องค์จึงสอน วิปั ส, สนาเลยเนี่ยนะแต่ถ้ากุศลศีลไม่ดีนะอักขิขันธูปมาสูตรนะสูตรหนักตอนนี้เยอะนีนะสูตรนี้ก็สแสดงว่าพระพิสุกกลุ่มนี้เนี่ยศีลดีอยู่แล้วนะพระองค์ก็เลยสแสดงวิปัสนาต่อไปเล ย, ยนะว่าพิจารณาจากขุดโดยความเป็นของไม่เที่ยงคําว่าไม่เที่ยงเพราะอัฏฐาว่าสิ้นไปนะเอาถ้าไม่เที่ยงแล้วก็อยู่แค่นั้นเลยบอกว่ายังพิจารณาไม่เที่ยงด้วยพิจารณาเป็นทุกข์ด้วย จักรูนี้เป็นทุกข์เพราะอรรมว่าน่ากลัวจักรูเป็นอนัตตาเพราะอธรรมว่าไม่มีสาระรูปล่ะรูปไม่เที่ยงเพราะอรรมว่าสิ้นไปรูปเป็นทุกข์เพราะอรรมว่าน่ากลัวรูปเป็นทุกข์เพราะอธรรมว่าไม่มีแกนสารจักรูวิญญาณไม่เที่ยงเพราะอธรรมว่าสิ้นไปจักรูวิญญาณเป็นทุกข์เพราะอรรมว่าน่ากลัวจักรูวิญญาณ ไม่เป็นอนัตตาเพราะอัฏฐาว่าไม่มีแก่นสารไม่มีสาระเนี่ยนะแล้วก็เวทนาภาษาก่อนนะจกักรูสัมผัสไม่เที่ยงเพราะอัฏฐาว่าสิ้นไปมีแล้วหามีไม่มีแล้วหมดไปเนี่ยนะจะอย่าลืมว่าจากักรูสัมผัสเกิดจากปัจจัยสามอย่างประชุมกันนะแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากักรูสัมผัสเป็นปัจจัยก็ ไม่เที่ยงนะ น, นี่คือวิธีแก้ไม่ใช่ให้ไปทิ่มตาจริงๆเลยหรอกเพราะว่าพระพิสูน์เนี่ยนะทำร้ายาทำร้ายอวัยะวะตัวเองเนี่ยนะเช่นตัดแขนตัดอะไรเป็นต้นไม่ได้นะะเป็นอบัตนะถ้าตัดอวัยวะเพศเป็นอบัตทุระจัยมีองค์หนึ่งเขาหนักเป็นหนักตัดทิ้งเลยพระองค์บอกโอ้ยที่เ้าให้ตัดไม่ตัดไปตัดอะไรก็ไม่รู้ก็เลยปรับอบัตเลยว่า โสตินรียที่บุคคลเกี่ยวด้วยขอเหล็กอันคมไฟติดลุกโพร่งแล้วจงพักไว้ก่อนเพียงฉะนั้นเราจะทําไว้ในใจอย่างนี้ว่าโสโสตเนี่ยนะไม่เที่ยงสัทธะไม่เที่ยงโสตวิญญาณไม่เที่ยงโสตสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรือทอุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยไม่เที่ยง คานินนซีที่บุคคลควานด้วยมีดตัดเล็บอันคมไฟติดลูกโพลงแล้วจงพักไว้ก่อนผิดฉนั้นเราจะพึงทำไว้ในใจอย่างนี้ว่าคานะคือจมูกไม่เที่ยงกลิ่นไม่เที่ยงคานะวิญญาณไม่เที่ยงคานะสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยง ชิวหินสีที่บุคคลเฉือนด้วยมีดโกนอันคมไฟติดลุกพลงแล้วจงพักไว้ก่อนเพียฉะนั้นเราจะพึงทำไว้ในใจอย่างนี้ว่าชิวหาคือลิ้นเนี่ยไม่เที่ยงรถไม่เที่ยงชิวหาวิญญาณไม่เที่ยงชิวหาสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยง กายีนีที่บุคคลแทงด้วยหอกอันคมไฟติดลุกโพลงแล้วจงพักไว้ก่อนเพีฉะนั้นเราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่ากายไม่เที่ยงโพธพพะไม่เที่ยงกายะวิญญาณไม่เที่ยงกายะสัมผัสไม่เที่ยงสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุคม ส, สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงความหลับ จงพักไว้ก่อนอ น, นะนมโนทวานนะพราฉะนั้นเราจะทําไว้ในใจอย่างนี้ว่ามณะคือใจไม่เที่ยงธรรมรมณ์ไม่เที่ยงมโนวิญญาณไม่เที่ยงมโนสัมผัสไม่เที่ยงสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงเพียสุทั้งหลายอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบือน่ายแม้ใน จากสู ย, กสญญย่อมเบื่อหน่ายแม่ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม่ในจากสูวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม่ในจากสูสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม่ในสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุคมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากสูสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม่หนโสตะหรือหูเนี่ยนะเบื่อหน่ายในเสียงเบื่อหน่ายในโสตะวิญญาณเบื่อหน่ายในโสตะสัมผัส เบื่อนายแม่นายสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเบื่อน่ายในายจมูกเบื่อหน่ายในากลิ่นเบื่อหน่ายในาคานวิญญาณเบื่อหน่ายในาคานสัมผัสเบื่อนายแม่นายสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานสัมผัสเป็นปัจจัยเบื่อนายแม่นายเลนเบื่อหน่ายแม่นาย รสเบื่อหน่ายแม่นายชิวหาวิญญาณเบื่อน่ายแม่นายชิวหาสัมผัสเบื่อน่ายแม่นายสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเบื่อน่ายในกายเบื่อหน่ายนายโพธะพระเบื่อน่ายนายกายวิญญาณเบื่อหน่ายนายกายสัมผัสเบื่อหน่ายแม่นายสุขเวทนาทุกเวทนาหรือ อทุคมสุขเวทนาที <im> ่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในใจแม้ในธรรมรมแม้ในมโนวิญญาณเบื่อความคิดด้วยนี้น่าคิดนะเบื่อแม้กระทั่งความคิดที่เบื่อนั่นด้วยนะไม่ใช่ว่าคิดเบื่อนะเบื่อแม้กระทั่งความคิดที่เบื่อนั่นแหละเบื่อแม้ในมโนสัมผัสเนี่ยนะแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุคมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย เมื่อเบื่อน่ายเบื่อนายนี้เป็นชื่อของนิพิทาเมื่อเบื่อนายวิราคะคลายกำหนัดก็ย่อมเกิดเขื่อนย ม, มักเนี่ยนะเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นหลุดพ้นก็ผลรจิตเมื่อหลุดพ้นแล้วก็ย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วปัจเจเวขณาญาณรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดูก่อนพ่สูจทั้งหลายนี่แหลเรียกว่าอธิตตะปริยายและธรรมะปริยายชนี้แหละนะจบสูตรนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญอินทรีสังวรถ้าจำสูตรนี้ได้อินทรีสังวรศีลก็รักษาไม่ยากนั ก, ก น, นะแทนที่จะไปคิดถึงเรื่องที่ไม่ควรคิดก็สาธยายสูตรนี้แทนในขณะเห็นเป็นต้น